ในพระปัจชิมโมวาคำสั่งคำสอนครั้งสุดท้ายของพระบรมศาสดาของพระพุทธเจ้าของพวกเราพระ อ, องค์ได้ทรงตัดไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้น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 ที่มีสังขารคือร่างกายที่ไม่เที่ยงที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการตายไปเป็นธรรมดาไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทนอนใจให้รีบขวนขวายอย่างประโยชน์ของตนให้เกิดขึ้นก่อนเมื่อได้ประโยชน์ของตนแล้วก็ให้ทำประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่นตามลำดับต่อไปประโยชน์ที่พระองค์ทรงตัดไว้นี้หมายถึงประโยชน์ทางใจไม่ได้หมายถึงประโยชน์ทางร่างกายประโยชน์ทางร่างกายนี้ถึงแม้จะหาได้มากน้อยเพียงไรก็จะเป็นประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นในที่สุดก็ต้องหมดไป ตามการสิ้นสุดของร่างกายประโยชน์ทางใจนี้เป็นประโยชน์ที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายพระองค์ทรงหมายความถึงประโยชน์ทางใจคือทําประโยชน์ให้กับใจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด ประโยชน์ของใจก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เองเพราะว่าเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ที่แท้จริงแก่จิตใจเพราะจะทำให้จิตใจนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือความหมายของการยังประโยชน์ของตนไม่ได้หมายความว่าให้ไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาความร่ำรวยหาความเจริญทางโลกคือหาความเจริญทางลาบยศสรรเสริญหาความเจริญ สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความเจริญเหล่านี้ประโยชน์เหล่านี้เป็นประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นจะหามาได้มากน้อยก็จะต้องมีวันหมดไปไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่จิตใจไม่สามารถที่จะทําให้จิตใจนั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่สามารถทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นอกจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้ปฏิบัติก็คือให้ยังประโยชน์ทางใจประโยชน์ทางใจนี้เกิดจากการกระทำทานการรักษาศีล และการภาวนานี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้สัตว์โลกผู้มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงค์ให้มันกระทำกันให้มันปฏิบัติกันเพ่อจะเป็นประโยชน์ให้แก่จิตใจ จะทำให้จิตใจนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าได้ท่งปฏิบัติมาได้รับประโยชน์มาแล้วแล้วจึงนําเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราถ้ามีศรัทธาความเชื่อน้อมนําเอาไปปฏิบัติพวกเราก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าส่งได้รับเหมือนกันทุกอย่างมรซีผลซีนิพานหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าได้ท่งรับก็จะเป็นผลที่พวกเราผู้ที่ปฏิบัติทานศีลภาวนาจะได้รับเช่นเดียวกันจะมีพระพุทธเจ้าอยู่สั่งสอนให้กับพวกเราหรือไม่ก็ไม่สำคัญตราบใดถ้ามีการ สั่งสอนพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหาบใดที่มีการนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติผลก็ยังจะเป็นเหมือนกับในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่ทรงเป็นผู้สั่งสอนด้วยตนเองเพราะพระองค์ได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่า พระธรรมคำสอนของเราที่ตัดไว้ชอบนี้แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้าพวกเธอมีพระธรรมคําสอนของเราดัางนั้นการจะอยู่หรือการจะจากไปของพระพุทธเจ้ากด็ดีของ พระอาลัยตสาวกทั้งหลายก็ดีของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ดีถึงแม้ว่าท่านจะจากไปท่านก็ยังเหมือนว่าท่านอยู่กับเราอยู่เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้นำมาถ่ายทอดให้แก่พวกเราก็ยังมีจาลึกไว้อยู่ในสื่อต่างๆ มีจารึกไว้ในหนังสือไว้ในแผ่นซีดีเป็นต้นถ้าพวกเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาณคือมีความขวนขวายที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของท่านอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็เหมือนว่าอยู่กับท่านเลย เหมือนอยู่กับตัวท่านเลยไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากท่านเลยเหมือนอย่างที่ทรงเคยตัดไว้ว่าผู้ใดถึงแม้ว่าจะเกาะชายผ้าเหลืองอยู่ใกล้เราเกาะชายผ้าเหลืองของเราแต่ถ้าไม่สนใจศึกษาคำสั่งคำสอนของเราและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอน ผู้นั้นก็เหมือนอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยต์ส่วนผู้ที่อยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชแต่มีความโวนขวายที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของเราผู้นั้นก็เป็นเหมือนผู้ที่เกาะชายผ้าเหลืองของเราเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เราการแสดงอย่างนี้ก็ทรงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน้วว่า องของพระพุทธเจ้าก็ดีองค์ของพระอาจารย์ตสาวกทั้งหลายก็ดีไม่ได้อยู่ที่สรีระร่างกายแต่อยู่ที่คําสอนของท่านเหล่านั้นถ้าเราน้อมนําเอาคําสอนของท่านมาปฏิบัติเราก็จะได้รับประโยชน์เหมือนกับเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่และเป็นผู้แสดงธรรมเหล่านั้นให้แก่พวกเรา พราะทำเหล่านั้นไม่มีการแตกต่างไปเลยสิ่งที่ท่านแสดงไว้แล้วเก็บไว้บันทึกแล้วมาปฏิบัติหลังจากที่ท่านจากพวกเราไปแล้วก็เป็นธรรมที่ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยพวกเราจึง ควรที่จะเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอารามตสาวกทั้งหลายของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบทั้งหลายแล้วเราก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านเหมือนกับว่าท่านไม่ได้ตายจากเราไปยิ่งสมัยนี้เรามีมีเทคโนโลยี มีการพัฒนาการสื่อต่างๆสามารถบันทึกเสียงที่เป็นของจริงของแท้ไว้ได้ถ้าเรานั่งหลับตาแล้วเราเปิดฟังเสียงที่อัดไวน้นี้ก็เหมือนกับว่าเราได้นั่งฟังจากท่านโดยตรงเลยไม่มีอะไรแตกต่างกันไปเลยปัญหามันอยู่ที่พวกเราไปยึดไปติดกับร่างกายของท่าน แล้วไปคิดว่าเวลาที่ร่างกายท่านตายไปแล้วเราจะไม่มีท่านมาคอยอบรมสั่งสอนพวกเราพวกเราลืมไปว่าคำสอนของท่านนี้มีจารึกไว่มากมายทั้งในหนังสือและในสือ่อทางเสียงต่างๆหรือทางภาพสื่อเหล่านี้เป็นตัวแทนของท่าน เป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราเหมือนกับว่าท่านไม่ได้จากเราไปเลยดังนั้นพวกเราอย่าปล่อยให้ความคิดผิดที่ไปคิดว่าเวลาที่ท่านจากพวกเราไปแล้วนั้นเราไม่มีที่พึ่งแล้วเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์แล้วอันนี้เป็นความคิดที่ผิดความคิดที่ถูกก็ต้องคิดว่า ถึงแม้ท่านจะจากเราไปท่านก็จากไปเพียงแต่ร่างกายที่เป็นเหมือนสื่ออย่างหนึ่งเหมือนกับหนังสือหรือแผ่นซีดีเท่านั้นเองเพราะว่าร่างกายนี้ก็เป็นผู้ที่พูดให้มีเสียงออกมาเท่านั้นเองหนังสือถ้าเราอ่านก็เหมือนกับเราได้ยินเสียงของท่านซีดีที่เราฟังก็เหมือนกับเราได้ยินเสียงของท่านโดยตรงดังนั้น ร่างกายของท่านจึงเป็นเหมือนหนังสือหรือเป็นเหมือนแผ่นซีดีไม่มีอะไรต่างกันเลยตัวที่ตัวท่านของที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่คำสอนของท่านถ้าเราศึกษาคาสอนของท่านด้วยการอ่านก็ดีด้วยการฟังและดูก็ดีหรือฟังอย่างเดียวก็ดีก็ ถือว่าเรายังมีท่านอยู่เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่เกิดความท้อแท้เกิดความเสีย อ, อกเสียใจเราจะมีความพอใจมีความยินดีที่จะขวนขวายที่จะปฏิบัติต่ตอไปแล้วเราก็จะได้ รับประโยชน์ที่ท่านได้รับแล้วมอบมาให้กับพวกเราประโยชน์ที่เราจะได้รับนั้นก็เกิดจากการที่เราศึกษาฟังคำสอนของท่านแล้วนำเอาคำสอนของท่านนี้มาปฏิบัติพระอาจารย์ทุกรูปทุกพระองค์นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงปัจถึงครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันนี้ ทุกลูกทุกองก็สอนเหมือนกันหมดสอนให้ทำทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนาและในอนาคตที่จะตามมาก็มีจะมีครูบาอาจารย์มาสั่งมาสอนอย่างเดียวกันหมดเพราะว่าเป็นทางที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองผู้ใดปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ก็จําเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติทางนี้ด้วยกันทุกคนทางสายกลางทางแห่งทานศีลภาวนานี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้ว พาาระอนันตสาวกทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติมาแล้วกูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พวกเราคารุก็ได้ปฏิบัติมาแล้วรักก็ได้รับประโยชน์มาแล้วหลังจากที่ท่านได้รับประโยชน์แล้วท่านจึงมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรูแล้ว พระ อ, องค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งคารวาดทั้งพระเนนทั้งเทวดานี่คือการยังประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์นี้ก็หมายถึงประโยชน์ทางจิตใจสั่งสอนคารวาดญาติโยมในตอนบ่ายสั่งสอนพระเนนในตอนค่ำ แล้วก็สั่งสอนเทวดาในยามดึกและก่อนที่จะออกทรงออกบินทบาตตอนเช้าก็ทรงเร็งญานดูว่าจะไปโปรดผู้ใดก่อนจะไปสั่งสอนผู้ใดก่อนในวันนั้นนี่คือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญให้แก่ผู้นับตั้งแต่ การแสดงภาพปฐมเทศนาคือในวันแผ่นเดือนแปดวันอาสาหบาูชา45ปีก่อนพุทธศาสนาและก็ไปสิ้นสุดในภาพปัชิมโอวาดในวันขึ้น15ค่ำเดือนหกวันที่ทรงสเสด็จดับขันธ์ทาปรินิพาน สี่สิ้าปีต่อมาตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีนั้นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพียงอย่างเดียวไม่ทรงคำหนึ่งถึงประโยชน์ของพระองค์เลยเพราะว่าประโยชน์ของพระองค์นั้นทรงได้ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแล้วในวันเพ็ญเดือนหกสี่สิบห้าปีก่อนที่จะ สเสด็จดับขันธ์บาลานิผ่านไปก่อนหน้าที่พระองค์จะทรงตัดสรตวทรงยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมพระองค์ไม่เคยไปสนใจกับเรื่องการอบรมสั่งสอนผู้อื่นเลยเพราะว่าถ้าไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ตนเองยังไม่ได้ประโยชน์ของตน ประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้อื่นก็ไม่มีคุณค่าราคาอะไรเพราะไม่สามารถทำให้ผู้อื่นนั้นหลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่าพระองค์เองก็ยังไม่รู้จักทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้น อ, องค์จึงไม่สั่งสอนใครเลยตลอดระยะเวลาหปีด้วยกันตั้งแต่วันออกสเสด็จออกจากพระราชวัง จนถึงวันตัดสรูนี้พระองค์ไม่ทรงสั่งสอนใครทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์ของจิตใจของพระองค์ให้ถึงพร้อมก่อนพอถึงวันเพ็ญเดือนหกแล้วก็ได้ยังประโยชน์ได้เต็มที่ได้ถึงพร้อมได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยพระองค์เอง พระพุทธเจ้านี้เป็นพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะปฏิบัติให้ตนเองหลุดพ้นได้โดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนผู้อื่นนั้นจะไม่มีความสามารถพอที่จะสามารถปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยผู้อื่นนี้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏก่อนแล้วมาสั่งมาสอนเท่านั้นพอมีพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วและพอพระองค์ทรงพร้อมที่จะสั่งสอนแล้วคือสองเดือนต่อมาทรงตัดสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกแล้วสองเดือนต่อมา พระ อ, องค์ก็ทรงมีความพร้อมที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นพร้อมที่จะอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดสัรู้ด้วยตนเองนี้ให้แก่ผู้อื่นพอได้ทรงแสดงธรรมในวันพผ่นเดือนแปดในวันอาสาฬหบูชาให้แก่พระปัญจวัคคี ก็มีพระปัญจวคีหนึ่งในหนั้นคือพระอัญญาณโกนทัญญะได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งได้หลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นที่หนึ่งได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาและหลังจากนั้นอีกไม่นานก็สามารถทำให้พระปัญจวคีทั้งห้ารูปได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ปรากฏมีพระอารามตสาวกขึ้นมาห้ารูปด้วยกันอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ตนก่อนซึ่งในยุคที่ก่อนจะทรงตัดสั้นพระปัญจวัคคีย์ก็เคยติดตามเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่จะสอนให้ตน ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแต่พอเห็นพระพุทธเจ้าได้ท่งเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติจากการทร ม, มานร่างกายของตนเองกลับมาใช้วิธีบาเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนากลับมาฉันอาหารตามปกติเพื่อรักษาชีวิตให้มีกำลังวังชาที่จะ บำเพ็ญจิตตะภาวนาบรรดาพระปัญจวัคคีทั้งห้าก็เกิดความเสื่อมศรัทธาคิดว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ยกทงขาวแล้วยอมแพ้แล้วกลัวตายแล้วเขาก็เลยหนีจากพระพุทธเจ้าไปพอพระพุทธเจ้าไม่มีใครมาอยู่ รอบล้อมก็ลเลยทำให้มีความสงบสงัดวิเวกทำให้จิตใจสงบเยน็นทำให้สามารถจเจริญวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงได้และได้ตัดสรลุตามลำดับต่อมานี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าของพวกเราก่อนที่พระองค์จะตัดสรลุนี้พระองค์ไม่ สั่งสอนใครเลยไม่ยังประโยชน์ของผู้อื่นเลยทรงยังประโยชน์ของตนเพียงอย่างเดียวพวกเราควรที่จะเอากตินี้เอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้านี้มาเป็นตัวอย่างของพวกเราเพราะว่าบางทีพวกเรานี้มักจะไปติดอยู่กับการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นกัน จึงไม่สามารถที่จะมีเวลามาทำประโยชน์ให้กับตนเองได้และประโยชน์ที่เราทำให้แก่ผู้อื่นนั้นก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวทำหรือไม่ทำผลก็ไม่ต่างกันคือตายเหมือนกันสิ้นสุดเหมือนกันจะหาลาบยศสัรเสริญให้แก่ผู้อื่นเช่นผู้มีพระคุณบิดามารดา หรือผู้ที่ต้องพึ่งพาอาศัยเช่นภรรยาสามีหรือบุตรธิดาประโยชน์ที่เราทำให้กับเขานั้นก็เป็นประโยชน์ชัว่วคราวเท่านั้นในที่สุดไม่ช้าก็เร็วประโยชน์เหล่านั้นก็ต้องหมดไปเมื่อชีวิตของเขาสิ้นสุดลงดังนั้นจะมีประโยชน์เหล่านั้นหรือไม่มีประโยชน์เหล่านั้นมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร ไม่ได้ทำให้ไม่ตายอาจจะทำให้อยู่แบบสบายหน่อยเท่านั้นเองในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรไปมากกว่านั้นถ้าไปดูที่จุดสุดท้ายของชีวิตมันก็เหมือนกันจะอยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายหรืออยู่อย่างทุกข์ยากลำบากมันก็ไปสู่จุดเดียวกันคือความตายเหมือนกัน ประโยชน์ของใจนี้ได้เท่าศูนย์เหมือนกันคือไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับใจรัวแต่ไปทำประโยชน์ให้กับร่างกายเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนี้จึงไม่ทรงกังวลไม่ทรงห่วงทางครอบครัวเลยทรงสละราชสมบัติทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วออกบาเพ็ญเพื่อประโยชน์ทางจิตใจของตนเพียงอย่างเดียวคนที่ไม่เข้าใจคนที่มองประโยชน์ทางร่างกายก็จะว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวความจริงนี้เป็นการกระทาของนักปราศของคนฉลาดคนโง่จะมองไม่เห็นประโยชน์ของใจว่าเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุด จะไปคิดถึงประโยชน์ของทางร่างกายว่าเป็นประโยชน์ที่สาคัญที่สุดประโยชน์ทางร่างกายนี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นประโยชน์ของใจเท่านั้นถึงจะดับความทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้พราพระพเจ้าจึงเห็นความสาคัญของการยังประโยชน์ของจิตใจ ยิ่งกว่าการยังประโยชน์ให้กับร่างกายจจงทรงไม่ให้ความสาคัญทรงมุ่งไปสู่การยังประโยชน์ให้แก่จิตใจจนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็ทรงกลับมาช่วยเหลือครอบครัวของพระองค์ต่อไปมาสอนให้เขารู้จักวิธียังประโยชน์ให้แก่จิตใจของเขา ให้จิตใจของเขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชบิดาพระพุทธมารดาหรือพระมารดาเลี้ยงหรือพระมเหสีหรือพระราชโอรสหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วเขาได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนเลย ได้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี่แหละวิธีที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต้องไปยังประโยชน์ที่จิตใจของเขาอย่าไปยังประโยชน์ที่ร่างกายของเขาถ้าเราต้องเลือก ควรจะเลือกการยังประโยชน์แก่จิตใจของเขาเพราะว่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างถาวรถ้าไปยังประโยชน์ทางร่างกายก็เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นเองแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ยากลาบากของร่างกายได้แต่ก็สิ้นสุดลงที่ความตาย แล้วก็กลับมามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มีปัญหาอันใหม่ที่เหมือนกับปัญหาอันเก่าถ้าแก้ปัญหาทางร่างกายก็จะต้องแก้กันไปอยู่เรื่อยๆเพราะว่าจะมีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ยังไม่ได้รับแก้แก้ปัญหาก็จะกลับมาเกิดใหม่ มีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ยากของร่างกายรอบใหม่จะแก้ดีหรือไม่ดีจะได้มากหรือได้น้อยในที่สุดก็ตายเหมือนกันแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เหมือนกันนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่พวกเราได้ทำกันมาอย่างช่ำชองทำกันมาอย่างนับไม่ถ้วน ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงให้แก่พวกเราพวกเราก็จะธรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้พบนี้ชาตินี้นั้นพวกเรามีโชคมีวาสนาได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่สามารถที่จะสอนให้พวกเรานั้นได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก้ปัญหาการอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เพราะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีความทุกข์ยากลำบาก ของร่างกายอยู่เสมอไปดังนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาของทางร่างกายอย่างถาวรเราก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ใจอย่าไปแก้ปัญหาที่ร่างกายไปแก้ปัญหาที่ใจที่คอยกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาสร้างปัญหาอยู่เรื่อยๆถ้าหยุดการเกิดของร่างกายได้ถ้าหยุด เหตุที่ทำให้ทําทให้ใจนี้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ก็จะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีปัญหาต่างๆที่มีอยู่ที่พวกเรามีอยู่กันในปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเลี้ยงดูร่างกายเรื่องการแสวงหาความสุขผ่านทางร่างกาย ที่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องหมดไปวิธีที่จะแก้ปัญหาให้ถูกต้องต้องมาแก้ปัญหาที่ใจยังประโยชน์ของใจให้ถึงพร้อมด้วยการบําเพ็ญทานศีลภาวนาเพราะจะทําให้ใจนั้นยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีความทุกข์ตามมา จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่าบรลมะสุนิบานังปะมังสุขขังนี่เองเอนี่คือเป้าหมายหรือผลของการยังประโยชน์ให้แก่จิตใจจะทำให้จิตใจนั้นมีความอิ่มมีความพอจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกาย ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่แหละเป็นสิ่งที่ผู้ปารถนาะที่จะแก้ปัญหาที่ถูกทางที่ถูกต้องต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอย่ามากังวลกับการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในตอนนี้เลยให้เราคิดว่าสมมติว่าถ้าเราตายไปวันนี้เราจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้หรือไม่ แล้วประโยชน์ที่เราทำให้กับเขานี้เราจะทำให้เขาไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้หรือไม่จะห้ามไม่ให้เขาตายได้หรือไม่ถ้าห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาตายไม่ได้ห้ามไม่ให้เขากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ไม่ได้แล้วทำไปทำไมมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเลยแต่การที่เรามายังประโยชน์ให้แก่จิตใจของเรานี้ จะสามารถแก้ปัญหาของเขาได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแก้ปัญหาให้แก่ครอบครัวของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วนอกจากครอบครัวของพระองค์เองแล้วยังแก้ปัญหาให้แก่มวลชนให้แก่สัตว์โลกได้เป็นจํานวนมหาศาลด้วยพระองค์เองและด้วยคําสอนของพระองค์ที่ได้รับการสืบทอดจะด้วยพระอาลัยตสาวก มาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ทุกคนนี้ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากคำสอนจากจากการฟังคำสอนต่อหน้าพระองค์เลยต่อหน้าพระพักเลยก็ตามแต่คาสอนทั้งหมดที่พวกเราได้ยินได้ฟังนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าท่งตรัสรู้คาสอนเหล่านี้จะไม่มีใครรู้ได้เลยนี่แหละคือประโยชน์อันมหาศาลอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์จึงเป็นพระศาสดาของศัตถาเทวมนุษย์สานัง เป็นศาสดาเป็นครูอาจารย์ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาก็ได้รับประโยชน์เพราะพระพุทธเจ้าทรงสามารถติดต่อกับเทวดาได้โดยตรงทรงมีพลังจิตที่จะติดต่อกับเทวดาได้สามารถสั่งสอนเทวดาเช่นพระพุทธมารดาให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ นี่แหะเราต้องมองประโยชน์ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำทั้งกับพระ อ, องค์เองและกับผู้อื่นแล้วจะทําให้พวกเหล่านี้มีกําลังใจที่จะมุ่งไปสู่การยังประโยชน์ทางจิตใจของเราก่อนเราจะไม่รู้สึกว่าเรานี้เห็นแก่ตัวเลยเราจะไม่รู้สึกว่าเราทอดทิ้งใครเลยเพราะเราไม่ได้ทอดทิ้งใคร แต่เราต้องไปทำหน้าที่ของเราก่อนเหมือนกับทหารที่ต้องออกจากบ้านจากเรือนเวลามีสงครามเกิดขึ้นมาเขาต้องไปรักษาบ้านเมืองไปทำสงครามเขาก็ต้องทิ้งครอบครัวไว้ที่บ้านเขาไม่สามารถที่จะเอาครอบครัวไปกับเขาได้แต่เขาไปเขาไปรบแล้วเวลาเขาชนะเขาก็จะกลับมาหาครอบครัว แล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างสันติสุขไปจนถึงวันตายแต่ถ้าเขาไม่ไปอยู่กับครอบครัวเดี๋ยวข่าศึกษัตรูก็จะบุกมาถึงบ้านแล้วก็จะมาฆ่ามาทำลายชีวิตของเขาและของครอบครัวไปหมดเลยต้องคิดอย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่าการยังประโยชน์ตนคือยังประโยชน์ของจิตใจนี้ ไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวเลยเป็นการกระทำที่เสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนกับทหารที่สละชีวิตสละความสุขที่อยู่กับครอบครัวเพื่อที่จะไปออกรบเพื่อที่จะไปป้องกันประเทศชาติไม่ให้ถูกค่าศึกศัตรูมาเหยียบย่าทาลายนั่นเองหันใดาการยังประโยชน์ก็เป็นแบบนั้น ไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวแต่เป็นวีรกรรมเป็นการเสียสละที่สูงสุดเพราะว่าผู้ที่ออกปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนทหารต้องยอมพลีชีพต้องยอมตายเพราะว่าถ้าไม่ยอมตายนี้จะไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้คือกิเลสตันหาตัวที่สร้างภบสร้างชาติให้แก่จิตใจนี้ได้ พาา ร, ระอรหันตสาวกทุกลูปพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องสละชีวิตด้วยกันทั้งนั้นเวลาปฏิบัตินี้ท่านปฏิบัติแบบสุดๆเลยมีอะไรเท่าไหร่ก็ทุ่มไปหมดแม้แต่ชีวิตก็ยอมเสียสละนี่แหละเรียกว่าเป็นวีรกรรมเป็นการเสียสละที่แท้จริงไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัว เป็นการกระทำของคนฉลาดว่ากันไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ว่ากันไปด้วยอารมณ์ถ้าคิดด้วยอารมณ์มันก็จะเห็นว่าเป็นความเห็นแก่ตัวหนีไปอยู่คนเดียวไปนั่งสมาธิไปหลบอยู่ในป่าคนเดียวปล่อยให้ครอบครัวนั้นเดือดร้อนวุ่นวายอต่าไม่ได้ไปตลอดไปเพื่อที่จะกลับมา ไปเพื่อที่จะกลับมาช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถไปได้ด้วยตนเองต้องมีคนพาไปท่านก็เลยต้องไปไปเพื่อที่จะได้เอาความรู้เอาความสามารถที่จะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ต่อไปนี่นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ถ้ามองแบบทางโลกมองแบบปุตุชนคนธรรมดาที่ยังมีความโง่มีความมืดบอดครอบงําจิตใจก็จะเห็นว่าเป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัวศาสนาอื่นมักจะมองเห็นศาสนาพุทธว่าเป็นศาสนาที่เห็นแก่ตัวไม่เหมือนกับศาสนาอื่นที่เสียสละเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียน สางอะไรต่างๆช่วยเหลือคนยากคนจนแต่พระพุทธศาสนากลับมาวีดเอาอาหารจากคนยากคนจนด้วยการไปบินทบาทขออาหารจากชาวบ้านอันนี้เขามองประโยชน์ทางร่างกายเขาไม่ได้มองประโยชน์ทางจิตใจว่าการบินทบาทของพระนี้เป็นการโปรดสัตว์เป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้บําเพ็ญประโยชน์ทางจิตใจได้สามารถบําเพ็ญประโยชน์เบื้องต้นก็คือการทําทานนี้การใส่บาตรนี้เป็นการทําทานเป็นการก้าวเข้าสู่ขั้นตอนของการบําเพ็ญการยังประโยชน์เพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไม่เข้าใจหลักนี้ก็จะคิดว่า พระนี่มาเบียดเบียนชาวบ้านชาวบ้านแสนยากจนชาวป่าชาวเขาแทบจะไม่มีอะไรกินเลยก็ยังมาขอเขากินอยู่อันนี้เขาไม่เข้าใจว่าเป็นการโปรดสัตว์มากกว่าถ้าท่านอยากจะกินอาหารดีๆท่านไปอยู่ในเมืองในบ้านที่มีคนร่นรวยบินทบาทแต่มันไม่ได้เป็นสถานที่เหมาะกับการบาเพ็ญจิตตภาวนา การบําเพ็ญจิตตะภาวนานี้ต้องไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากความเจริญทางโลกทางตาหูจมูกนิ้นกายเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญนั่นเองท่านถึงไปปิกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาอยู่กับชาวบ้านชาวนาชาวไร่อยู่กับชาวป่าชาวเขาเพื่อที่จะได้บําเพ็ญประโยชน์ของตนและได้เปิดโอกาสให้ ชาวบ้านชาวป่าชาวเขาผู้ยากไร้นี้ได้มีโอกาสได้บาเพ็ญพร้อมไปกับตนด้วยคืออย่างน้อยก็ได้ทำบุญทำทานแล้วก็วันพระวันศีงก็ได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการสอนแบบเต็มรูปแบบก็เป็นการสอนเพื่อที่ให้รู้แนวทางไว้ข้าวๆวว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทอางนี้ ต้องทําทานต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องภาวนาอันนี้ไม่ได้เป็นการเบียดเบียนไม่ได้เป็นการารีดไถเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะยังประโยชน์ของตนคือประโยชน์ของจิตใจนี้ได้มีโอกาสที่จะได้บําเพ็ญ น, นั่นเอง มีพระมาบินบาตก็จะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรซึ่งเป็นการทำทานที่จะเปิดทางให้ไปสู่การรักษาศีลต่อไปแล้วก็จากการรักษาศีลก็จะไปสู่การภาวนาทำใจให้สงบได้ต่อไปและในสายตาของทางโลกนั้นเขาจะมองว่าศาสนาพุทธนี้มีแต่จะเอาไม่มีอะไรจะให้ ไม่เหมือนศาสนาอื่นนี้จะมีการให้มีอะไรมาแจกมาแถมอยู่เรื่อยๆมาเอาอกเอาใจแต่ก็ได้ประโยชน์เพียงชั่วค่าวเท่านั้นคือประโยชน์ทางร่างกายประโยชน์ทางใจนี้ไม่ได้เลยทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้ยกเว้นศาสนาพุทธนี้ไม่สามารถยังประโยชน์ทางใจ ได้เลยถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ที่ถาวรไม่มีคำสอนของศาสนาใดที่จะสามารถสอนให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่คำสอนของพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่จะสามารถพาให้ผู้ปฏิบัตินั้น ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นดังนั้นขอให้เราคิดแบบนี้แล้วเราจะได้มีกําลังจิตกําลังใจที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังหลงยึดติดอยู่ยังเป็นห่วงยังเป็นกังวลอยู่ว่าอยู่ก็เท่านั้นอยู่ไปเดี๋ยวก็ตายด้วยกันในที่สุดก็ตายด้วยกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่แต่ถ้าไปนี้มีโอกาสที่จะได้กลับมาสอนเขาสอนเขาให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านครั้งเราต้องมองภาพรวมอย่าไปมองแค่ภาพเล็กๆในปัจจุบันเท่านั้นคือในในชาตินี้เท่านั้นชาตินี้ถ้าจะมองก็ต้องมองว่ามันก็แค่แค่ตายเท่านั้นเอง เมื่อตายแล้วต่อให้ทำประโยชน์มากน้อยแก่ร่างกายมันก็หมดไปแต่ถ้าเราสามารถทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของเขาได้ทำให้เขาหลุดพ้นได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทำให้แก่พระราชบิดาพระพุทธมารดาและญาติสนิทมิตรสหายของพระองค์เองได้มันเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้น ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติตามก็ขอให้คิดตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดาเนินมาเพื่อจะได้ตัดอุปสรรคต่างๆที่กีดกันขวางกั้นหรือเหนี่ยวรั้งไม่ให้สามารถออกไปบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพุทธังสระนังกชามิ คำว่าพุทธทางสรนนังกระฉามิก็คือดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงดําเนินอย่างไรทรงปฏิบัติอย่างไรเราดําเนินอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นเป็นวิธีทางที่ถูกต้องถูกทำไม่มีไม่ได้ผิดธรรมผิดอะไรเลยถูกต้องดีที่สุดเช่นเดียวกับสังฆังสรนนังกระฉามิดูพระอรหันตาสาวก ท่านก็เอาพระพุทธเจา้ามาเป็นแบบเป็นฉบับท่านก็ออกบำเพ็ญเหมือนกับที่พระพุทธเจา้าได้ท่งบำเพ็ญสละครอบครัวสละญาติสนิทมิตรสหายสละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองสละความสุขทางร่างกายไปหมดแล้วก็ออกไปบำเพ็ญแล้วหลังจากที่ได้ยังประโยชน์ของตนได้ถึงพร้อมแล้วก็กลับมาเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นต่อไป ครูบาอาจารย์แต่ละรูปที่พวกเราเคารมนับถือนี้ถ้าไม่มีการปฏิบัติแบบท่านนี้เราจะไม่มีครูบาอาจารย์มาเป็นที่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแต่เพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านกยึดพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นแบบฉบับปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ผลแบบที่พระพุทธเจ้าได้รับคือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แล้วก็บำเพ็ญตามที่พระเจ้าได้สรงบำเพ็ญต่อไปก็คือมาอบรมสั่งสอนเผยแผ่พระธรรมคมสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้ยึดเป็นที่พึ่งเป็นสารณะต่อไปนี่แหละเป็นหลักของพระพุทธศาสนาพุทธัทงสรารนังกชามิธรรมังสรารนังกชามิสังคังสรารนังกชามิ ให้เราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เราเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางของการปฏิบัติให้เราเอาตัวอย่างของพระอรหันตสาวกทั้งหลายมาเป็นแบบเป็นฉบับแล้วรับรองได้ว่าเราก็จะได้รับผลแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับแล้วเราก็จะได้มายังประโยชน์ให้แก่บุคคลที่เรามีความรัก ความห่วงใยเช่นครอบครัวของเราต่อไปแล้วถ้าเขามีศรัทธามีความเชื่อในการสั่งการสอนของเราแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติตามเขาก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับที่เราได้รับประโยชน์เขาก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาแก้ปัญหาซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดโน เราต้อง be, this, คิดแบบนี้คิดในมุมกว้างอย่ามองในมุมแคบๆอย่ามองในมุมว่าโอ๊ยถ้าไม่มีเราแล้วพ่อเราจะอยู่ได้หรือเปล่าลูกเราจะอยู่ได้หรือเปล่าแม่เราจะอยู่ได้หรือเปล่าคนนั้นคนนี้จะอยู่ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดของคนโง่คิดทำไมไม่คิดว่าถ้าเราตายไปวันนี้แล้วเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าเขาจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเรามีอะไรที่จะมา รับประกันว่าเราจะไม่ตายในวันนี้หรือวันพวกนี้หรี่ให้เรามองความตายของผู้อื่นเพื่อเอามาสอนใจพวกเราว่าความตายนี้มันเป็นของแน่นอนมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แน่นอนเพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องไม่ประมาทอย่างที่พระเจ้าทรงได้ตัดสอนไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง จงยังประโยชน์ของตนหน้าของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดความไม่ประมาทก็คือต้องเริ่มทําตั้งแต่บัดนี้เลยทําำในตราบใดที่ยังมีลมหายใจยอยู่รีบทําเสียน้ําขึ้นให้รีบตักเพราะเราไม่รู้ว่าวันเวลาของเรานี้จะหมดไปเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าน้ํามันจะลดลงเมื่อไหร่ตอนนี้มีน้ํารีบตักเสีย ไม่รีบตักปมมัวแต่ไปทำอะไรอย่างอื่นพอถึงเวลาจะมาตักมาใช้ก็จะไม่ทันการเพราะน้ำมันอาจจะเหือดแห้งไปหมดแล้วก็ได้เราชีวิตของเราก็เป็นเหมือนน้ำตอนนี้เรามีชีวิตอยู่อย่าไปทำอะไรอย่างอื่นให้เสียเวลาไปเปล่าๆเพราะประโยชน์ที่ได้รับนั้นเป็นประโยชน์ชั่วคราวไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาได้อย่างถาวรได้อย่างครบวงจร เหมือนกับการยังประโยชน์ของจิตใจถ้าเราเอาเวลาทั้งหมดที่เราไปใช้กับสิ่งต่างๆนี้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาเจริญทานศีลภาวนากันไม่นานเราก็จะสามารถที่จะยังประโยชน์ของใจีได้ถึงพร้อมอย่างที่พระ อ, องค์ได้ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรแล้วว่า ผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางแห่งสติปัฏฐานนี้ได้ผู้นั้นสามารถที่จะยังประโยชน์ของตนให้ได้ตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไปถึงเจดปีผู้ที่มีความขยันมากมีความรู้ความสามารถมากท่านว่าภายในเจวันก็สามารถบรรลุได้เพราะมีผู้สอนมีทางมีคําสอนอยู่แล้วเพียงแต่ปฏิบัติตามเท่านั้นเองปฏิบัติมาก ปฏิบัติเก่งก็จะได้เร็วถ้าปฏิบัติน้อยปฏิบัติไม่เก่งก็จะได้ช้าแต่ไม่เกินเจ็ดวันถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องไม่เกินเจ็ดปีจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนอันนี้เป็นคำรับประกันเหมือนกับบริษัทขายรถยนต์เวลาซื้อรถยนต์นี่เขาจะรับประกันสามปีถ้าเครื่องเสียตรงไหนเขาจะเปลี่ยนให้จะซ่อมให้จะ จะรักษาให้รถนี้วิ่งได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรภายในสามปีนี้เขารับรองได้ว่าจะมีรถวิ่งได้ตลอดเวลาฉันใดพระพุทธเจ้าก็รับรองแบบเดียวกันว่าถ้าใครปฏิบัติตามคำสอนของเราถ้าใครสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องสามารถเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องภายในเจ็ดปีนี้เป็นอย่างมาก หรือถ้าเร็วก็ภายในเจ็ดวันไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนเนี่โลกของเราเนีที่มีพระอริยะบุคคลเกิดขึ้นมากันมากมายนี้ก็เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้และการปฏิบัติตามคำสอนนี้ถ้าไม่มีคำสอนนี้ต่อให้ปฏิบัติกันแบบไหนก็ตามจะไม่มีวันที่จะสามารถบรรลุถึงผลที่ต้องการได้เลย เพราะการปฏิบัติแบบไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เหมือนหลับตางมเข็มในในมหาสมุทรนั่นเองลองปิดตาดูแล้วก็โยนเข็มลงไปสักเล่มหนึ่งแล้วลองปิดตาลงไปดําน้ําหาเข็มนั่นดูดูว่าจะหาได้หรือไม่มันยากหาไม่ได้นแต่ถ้ามีคําสอนก็เหมือนกับว่าไม่ต้องปิดตาก็จะหาได้ ตอนนี้เรามีคำสอนมีแสงสว่างมีผู้นำทางให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการกันทำไมพวกเราไม่ไปกันมัวแต่ไปเที่ยวไปเล่นไปหาความสุขทางร่างกายกันทำไมเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็ต้องถึงจุดจบของมันดูจุดจบของผู้ที่ผ่านไปดูเป็นตัวอย่างเป็นเครื่องเตือนใจ ดูจุดจบของพระพุทธเจ้าดูจุดจบของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สอนเหมือนกับที่พระเจ้าสอนในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดท่านคอยสอั่งคอยสอนซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆพวกเรายังไม่ซึงถึงใจพวกเรายัง ถูกอำนาจของความหลงความมืดบอดปิดกั้นคําสอนแสงสว่างอันนี้ทําละให้เราไม่เห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของการยังประโยชน์ให้แก่จิตใจยังหลอกให้เราไปเห็นคุณค่าของการหาประโยชน์ทางร่างกายหาประโยชน์ทางลาบยศสารเสริญสุขกันอยู่จึงไม่มีวันที่จะสามารถปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เราต้องแก้ปัญหาตรงนี้อุปสรรคตอนนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติของเราให้เราห้ามให้มาให้เห็นความสำคัญของการยังประโยชน์ของใจยิ่งกว่าการยังประโยชน์ของร่างกายของลาบยศสารเสริญสุขเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ต้องสิ้นสุดลงเสียเวลาไปเปล่าๆเอาเวลาที่มีคุณค่ามาหาสารนี้ มายังประโยชน์ให้แก่จิตใจดีกว่าเพียงไม่เวลาไม่เกินเจ็ดปีก็สามารถที่จะสาเร็จภารกิจอันนี้ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ต่อให้ปฏิบัติไปเจ็ดล้านปีก็ไม่มีวันที่จะสำเร็จได้เพราะจะไม่มีใครเป็นผู้สั่งผู้สอนและก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดังนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสที่หายากมาก ที่เราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอาหารหันต์ตาวกทั้งหลายที่จะเป็นผู้นำทางหรือชี้ทางให้แก่พวกเราขอให้พวกเรารีบขนขวายศึกษาและนาสิ่งที่เราได้ศึกษามาปฏิบัติกันเถิดเพื่อการยังประโยชน์ที่แท้จริงคือประโยชน์ทางจิตใจให้ถึงพร้อมแล้วต่อจากนั้นเราจะได้ยังประโยชน์ให้แก่ผู้นนตามลาดับต่อไป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 สัพเพปเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยธามณิจติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายยสุขีทีขายุโภพะอะพิวาธนสิลิสะนิจจังวุทธาปจายโน จัตาโรโธรร ม, มวทานติอายุวนโนสุขังภาลัางำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยมีความอยากรู้อยากทราบอะไรตอนนี้มีโอกาสที่จะถามได้ขอให้ ถามทางนี้ตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบปัญหาจากคุยกันก็คุยกันตอนนี้ถามอะไรก็ถามกันได้ตอนนี้ถ้าเลิกแล้วก็เลิกเลยถ้าไม่มีเดี๋ยวจ ะ, ะส่งใม่ทั้งนี้มีใครอยากจะถามถ้าไม่มีก็มีใครอยากจะถามไหเช่ว ย, ช, วยช่วยส่งใหมไปทาง ช่วยพูดใกล้ๆ ห, หน่อยจะได้ยินเสียงขอนามส ก, การพระกุณเจ้าเจ้าค่ะเลี้ยนชื่อสุนิรัตวัฒนาวิมลากูเนอยู่ประเทศฝรั่งเศสมาสามสิบปีแล้วก็คือห่างไกลาจากวัดอของเราอะนะคะแต่อยู่เมืองนอกก็ก็ได้พยายามปฏิบัติทมโดยใช้หลักของพุทธเจ้าแต่ก็ ทำมากไม่ได้เพราะว่ามีกิจการงานต้องทำอะคะ่ะขณะนี้เด่นเกษียณแล้วอะคะ่ะแล้วก็กลับก็บมาอยู่ที่กรุงเทพมีมารดาซึ่งอายุมากแต่มีพระคุณมากกับในความรู้สึกนะคะเพราะว่าเด่นจากไปไกลตอนนี้พอดีว่ามีคณะเพื่อนฝูงญาติธรรมจากวัดแห่งหนึ่งที่งเทพวัดพิชัยญาติค่ะเขาจะจัดทริปไปที่อินเดียสับสิบวันเด่นามจึองอยากไปแต่ก็ ก็เป็นห่วงคุณคุณมาคุณแมค่คุณยายค่ะก็มีความรู้สึกว่าแหมไม่อยากท้อทิ้งเลยปกติที่เคยอยู่ห่างไกลสาสิบปีนี้เฉยๆแต่ตอนนี้รู้สึกคุณยายอายุมากแล้วเกรงว่าอืจะไม่มีโอกาสได้รับใช้ท่านใกล้ชิดเหมือนทุกวันเลยไม่แน่ใจเมื่อกี้พอดีท่านได้แสดงทำทําให้ฉันนึกว่าอาจจะเป็นโอกาสของเราหรือเปล่าที่จะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สาธุก็ขอกลาบน้อมนมัส ก, การถามแค่นี้เจ้าค่ะถามว่ายังไงถามว่าถ้าไปเนี่ยนะคะเออหรือว่าคือเป็นห่วงะค่ะเอาความจริงไปแบบนี้ไม่ต้องไปดีกว่าไปก็ไม่ได้อะไรเท่าไรเจ้าค่ะไปเที่ยวซะมากกว่า ถ้าจะไปอยู่ในป่าคนเดียวแล้วปฏิบัติย่ามนี้น่าไปกว่าเจ้าค่ะพุกุฏเจ้าค่ะ น, นรัตสการค่ะโยมเข้ามาปลีกวิเวกเมื่อวันที่สิบหกแล้วก็เมื่อวานนี้ได้พยายามอยู่กับพุทโธ ท, ทั้งวันแต่ว่าใช้นับพุทโธหนึ่งพุ ท, ทโธสองตามลมหายใจค่ะก็ ทำทำไปตอนแรกๆมันก็มีความสุขดีแล้วแล้วหน้ามันก็ฉีกยิ้มขึ้นมาเองแล้วพอทำนับไปได้สักห0ร้อยกว่าคำว่าพุทโธก็หายไปเหลือแต่การนับไปเรื่อยๆก็ดูลมหายใจแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆจนถึงสักประมาณเจร้อยกว่ามันก็อยากจะไม่นับแล้วนะคะแล้วแล้วมันก็จาไม่ได้ว่าเมื่อกี้นับไปถึงไหนอะไรแบบนี้นะคะ่ะ ก็อา่าก็เลยคิดว่าอ่าเอาเอ า, เอาใหม่ตั้งตั้งสติใหม่แล้วแล้วมันใจมันมันอยากจะอยากจะนับให้ได้อยากจะจําให้ได้มันก็พยายามกระสืกระสนดิ้นรนพยายามเอาตัวเลขขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยคะ่ะโยมก็เลยคิดว่ายมทําผิดไปแล้วอา่าแล้วก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ก็ก็เริ่มเริ่มนับใหม่ ก็คิดว่าประเดี๋ยวเราต้องนับไปนานๆจนเป็นร้อยเป็นพันกว่าจะกว่าจะได้เรื่องมันก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นก็พะทันถึงสักสี่0บห้าสิบอะไรแบบนั้นมันก็เป็นอย่างเดิมอีกค่ะโยมอยากทราบว่าโยมมันจิตมันตกผวังไปหรือว่ามันมันจะรวมมันก็ไม่รวมถ้ามันจะรวมมันก็มันก็นิดเดียวนะคะมันตัดเดียวเอง คือการนับนี่ก็เพื่อยับยั้งความคิดต่างๆถ้าหยุดนับแล้วความคิดไม่คิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรบางทีเรานับไปแล้วใจมันก็ไม่อยากจะคิดอะไรเราจะหยุดคิดก็ได้แต่อเราจะหยุดนับก็ได้แต่มันถ้ายังไม่รวมมันก็ยังไม่รวมก็ต้องมีอะไรเป็นตัวเด่งให้รวมให้ได้ ถ้าหยุดนับก็ต้องดูดูลมหายใจต่อไปให้มีอะไรคอยกำกับใจไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆงั้นก็ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะรวมเวลารวมมันจะรู้ว่าอ๋อนี่รวมเป็นอย่างนี้พอมันจะแบบเป็นพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจิตที่เป็นอย่างนี้แล้วจะพลิกไปเป็นอีกอย่างนี้มันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาที่มันรวมลง ถ้ามันยังไม่ชัดเจนนี้ก็แสดงว่ายังไม่ใช่อาจจะเป็นการเผลอหลับไปเผลอสติไปก็ได้ก็ต้องทำต่อไปการนับนี้ก็ไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปจำว่านับไปถึงไหนจำไม่ได้ก็นับต่อไปนับนับเลขใหม่ก็ได้นับหนึ่งใหม่ก็ได้หรือจะนับแปดร้อยเก้าร้อยต่อไปก็นับไปเราไม่ได้นับเพื่อเอาตัวเลขไม่ได้เอาปริมาณเรานับเพื่อ กำจัดความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้มีความคิดปรุงแต่งเหมือนกับการบริกรรมพุทโธเราไม่ต้องการตัวคาบริกรรมแต่เราต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าเราบริกรรมไปเรื่องนับไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปว่าอยากจะคิดให้ถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ละเวลานับก็ต้องไม่คิดอะไรทั้งนั้น นับไปถ้าเผลอก็ให้รู้ว่าตอนนี้สติเผลอแล้วจำลืมไปแล้วว่านับไปถึงไหนแสดงว่าเผลอ ก, ก็เริ่มใหม่หรือต่อใหม่จะต่อตรงไหนก็ได้จะต่อที่เก้าร้อยก็ได้แปดร้อยก็ได้มันไม่สําคัญเราไม่ได้นับเพื่อเอาตัวเลขเอาปริมาณของตัวเลขเรานับเพื่อให้ใจมีงานทําเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าเราหยุดความคิดเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะเย็นจะสบายและจะรวมได้แล้วถ้ามันติดสุกล่ะคะมันสุกแบบไหนล่ะมันมันมันมันบอกไม่ถูกถ้าสุกทั้งโลกก็ไม่ควรจะติดไม่ไม่ใช่ค่ะมันเป็นความเพลินเป็นความผ่อนคลายความเพลินมันเป็นส่วนหนึ่งของปิติหรือเปล่าคะ ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ในใจของคุณคุณก็ต้องดูเอาเองค่ะขอบพระคุณค่ะคำถามจากทางบ้านจากคุณธรรมชาติผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพราะรู้สึกว่าตนเองมีปัญหาชีวิตและเป็นทุกข์กับผู้ที่ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองมีปัญหาหรือทุกข์ใดใดแต่ปฏิบัติด้วยศรัทธาและความอยากหลุดพ้น อันนี้ส่งผลบุญที่ได้จะแตกต่างกันไหมครับก็ปฏิบัติแบบเดียวกันผลก็จะต้องได้เหมือนกันเอที่จะทําให้ปฏิบัตินี้มันก็มีหลากหลายด้วยกันคนที่มีความทุกข์ปฏิบัติมันก็ดับความทุกข์ได้คนที่ยังไม่มีความทุกข์ปฏิบัติก็สามารถที่จะป้องกันความทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นมาได้มันก็เหมือนกันเหมือนคนที่ไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลคนที่ยังไม่ ยังไม่ได้ไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลไปเพื่อตรวจเช็คร่างกายมันก็ผลก็ได้แบบเดียวกันก็คือเพื่อไปดูแลรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าเป็นก็รักษาให้มันหายคำถามจากคุณทวงคนที่ปราชิกแล้วไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้จริงหรือเปล่าครับทางศาสนาจะไม่ไม่ไม่รับให้กลับมาบวชใหม่แล้ว เพราะว่าเดี๋ยวกลับมาก็จะทำซ้ำซากอยู่ดีก็คนที่ทำแบบนี้ถือว่าเป็นเหมือนต้นตาลยอดด้วนยังไงก็จะไม่มีทางที่จ ะ, จะเจริญเติบโ ต, ตงอกงามขึ้นมาได้ทางศาสนาก็เลยไม่ต้องการจะรับคนอย่างนี้เข้ามาเพราะว่าจะไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์คำถามจากคุณลวงพึ่ง หนูประสบความทุกข์มากมายทั้งกายและใจทำมาหากินไม่สะดวกสามีไม่ซื่อสัตว์ลูกๆ ก, ก็ไปเรียนแบบขาดตกบกพร่องหนูก็รีบเล่งปฏิบัติตามแนวสติปฐานสี่ตามที่รายการธรรมะในทีวีบอกหนูพิจารณาทั้งกลางวันและกลางคืนทำกับข้าวก็พิจารณาซัากผ้าก็พิจารณาถูบ้านก็พิจารณา ติดต่อและต่อเนื่องกันจนท้องระเบิดแตกออกมามีแสงคล้ายๆสปอตไลท์ใหญ่ๆสว่างออกมาจากในท้องหนูพอท้องแตกออกมาแล้วหัวใจมีเสียงดังตุ๊บๆดังมากในหูหัวใจมันขยายใหญ่ออกมาได้เต็มในอกเหมือนเรากำลังจะตายในขนาดนั้นแต่หนูกลับไม่กลัวตายในตอนนั้นหนูอ่อนแรงมากถามหลวงพ่อเขาว่า เพราะเหตุไรจึงกระเทือนได้แรงถึงขนาดนั้นก่อนนี้เมื่อห้าถึงเจดวันหนูปฏิบัติแบบต่อสู้ไปในสัญชิกไม่นอนแม้กายจะเจ็บป่วยและเจ็บปวดทุกทรมานหนูก็ยอมตายแม้ส้นเท้าจะปวดจนแทบเดินไม่ไหวหนูก็ไม่เลิกหนูสู้อยู่หลายอย่างกลับมาบ้านก็ไม่เลิกปฏิบัติขอหลวงพ่ออธิบายการปฏิบัติด้วยค่ะ การปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจด้วยการปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาร่างกายนี้เพื่อให้รู้ให้เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปให้ใจเตรียมตัวรับกับความเป็นจริงของร่างกายที่จะเกิดขึ้น ไม่ให้เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เพราะว่าสิ่งที่ตายนั้นไม่มีใครอยู่ในนั้นคนที่ร่างกายที่ตายไปนั้นไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีหรือเป็นภรรยาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟผู้ที่มาครอบครองร่างกายแล้วเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจ ที่ไม่ตายไปตามกับร่างกายถ้าเราพิจารณาแล้วเข้าใจตามหลักนี้เวลาที่ร่างกายตายไปเราก็จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ร้องห่มร้องไห้เพราะเราจะรู้ว่าพ่อหรือแม่พี่หรือน้องสามีหรือภรรยา น, นั้นไม่ได้ตายสิ่งที่ตายก็เพียงเป็นดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองคําถามจากคุณนัทธพัฒนทําอย่างไรถึงจะไม่โกรธ เวลาสิมีสิ่งเรามากระทบและมีสติอยู่ตลอดเวลาครับเพราะเราขาดปัญญาที่จะมาทําลายเหตุของความโกรธเหตุของความโกรธก็คือความอยากต่างๆอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาพูดอย่างนี้พอเขาไม่ได้พูดอย่างที่เราอยากเราก็จะโกรธเช่นเราอยากให้เขาชมเราอยากให้เขาพูดดีๆกับเรา พอเขาด่าเราหรือเขาไม่พูดดีกับเราเราก็จะกโกรธเขาขึ้นมาทันทีดะนั้นเราต้องมาแก้ที่ความอยากของเราและสิ่งที่จะแก้ความอยากของเราได้ก็คือปัญญาปัญญาต้องเห็นว่าเขานั้นเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาหันซ้ายหันขวาให้เขาพูดดีให้เขาทำดีกับเรานี้ไม่ได้เขาอยากจะทำดีเขาก็ทาด <S <S ีเขาไม่อยากจะทาดีเขาก็ไม่ทำดี อันนี้เราต้องสอนใจแล้วเราจะได้หยุดอยากให้เขาดีกับเราเราก็จะพร้อมที่จะให้เขาไม่ดีกับเราเพราะเรารู้ว่าเราไปบังคับไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนกับเรารู้ว่าเราไปบังคับไปห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้เราก็เลยเตรียมตัวรับกับฝนเตรียมรับไว้สร้างบ้านก็สร้างให้มันสูงเผื่อน้ามันจะท่วมมันจะได้ไม่ท่วมบ้านเราไปห้าม ผลไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้เราไปห้ามคนอื่นไม่ได้เราห้ามใจของเราได้ถ้าเราไม่ไปอยากได้อะไรจากเขาแล้วเราจะไม่มีวันโกรธเขาคำถามจากคุณบุญมีการพิจารณาเวลาเดินไปหรือเห็นอะไรผมจะพิจารณาตลอดบางครั้งก็เหมือนจะตัดกิเลสที่พิจารณาได้แต่พอเจอเหตุการณ์จริงมันตัดไม่ได้ เหมือนจะหลุดแต่ไม่หลุดครับข้อนี้ขาดอะไรถึงพิจารณาไม่หลุดครับก็ขาดปัญญาเยขาดปัญญาที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นนะั้นมันเป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเราไม่สามารถที่ไปสั่งไปควบคุมไปบงังคับให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้พอเขาไม่เป็นเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเรามีปัญญาอยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นอะไรเราจะปล่อยวางเพราะเรารู้ว่าถ้าไปยุ่งกับเขาแล้วจะเราจะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเราก็จะโกรธเราก็จะเสียใจขึ้นมาคำถามจากคุณบุตรพุทธใช้คำภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทโดยมีสติอยู่ที่ปลายจมูก หรือไม่บางครั้งนั่งหลับตาฟังเทศไปสักพักหนึ่งมันเหมือนกับไม่รู้ว่าหายไปไหนอยู่ช่วงระยะเวลานา น, านทีเดียวค่ะไม่ทราบว่ามันหลับในสมาธิหรือที่เขาเรียกว่าสมาสมาชีขัวต่อหรือเปล่าคะแล้วควรจะทำอย่างไรดีคะมันก็ขาดสตินั่นเองพอไม่มีสติมันก็จะไม่รู้สึกตัว แสดงว่าสตินี้เรามีกำลังน้อยมากไม่สามารถที่จะประครับประคองใจให้รับรู้กับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นกับใจได้ไปตลอดเนี่ยเราต้องมาสร้างสติให้เพิ่มมีมากขึ้นไม่ใช่จะมาทำแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเท่านั้นเราต้องทำตั้งแต่เวลาเราตื่นจนถึงเวลาเราหลับเลยในทุกอิรยาบทของการเคลื่อนไหว ให้สร้างสติขึ้นมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นการบริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นการสร้าง ส, างสติขึ้นมาหรือการจดจอ่อเฝ้าดูการกระทําการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบทในทุกของในทุกการกระทําไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นให้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายทุกทุกการกระทําทุกอิริยาบทก็จะมีสติ กำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีสติแล้วเวลานั่งนี้มันจะไม่วูบหายไปมันจะไม่หลับถ้าจิตสงบมันก็ยังรู้อยู่ว่าจิตสงบคำถามจากคุณทดสวงหลังทาสมาธิเสร็จจะร้อนมีเหงื่อออกเล็กน้อยเป็นเพราะตั้งใจมากไปใช่ไหมคะขอคำแนะนำแก้ไขด้วยค่ะ เรื่องของร่างกายมันเป็นอย่างนี้เวลาถ้านั่งอยู่นี่มันจะนั่งไปนานๆมันก็ขึ้นอยู่กับอากาศด้วยถ้าอากาศร้อนแล้วถ้านั่งอยู่ในท่าเดียวมันก็จะร้อนขึ้นมาได้อันนี้ไม่ต้องไปกังวลกับมันร้อนก็ให้มันรู้ร้อนไปเหงื่อจะออกก็ลปล่อยมันออกไปไม่เกี่ยวกับการตั้งใจมากหรือตั้งใจน้อยคำถามจากคุณอันโดอันนบในเวลาที่อยู่กับเจ้านายที่หูเบา ลำเอียงเราควรภาวนาแผ่เมตตาให้คนที่ใส่ร้ายเราถูกต้องไหมครับไม่ต้องหรอกเราทําความเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันเราจะไปหวังอะไรเขาจะใส่ร้ายก็เรื่องของเขาเราอย่าไปทําตัวให้เราให้ร้ายก็แล้วกันเราทําตัวของเราให้ดีไว้ก็ใช้ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรเขาจะว่าเราเป็นควายถ้าเราไม่เป็นควายมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดี เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลกับคําพูดของผู้อื่นเพราะเราห้ามเขาไม่ได้เอเขาไม่ชอบเราเขาก็จะใส่ร้ายเราเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้เราอย่าไปหวังผลอะไรจากคนอื่นแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราหวังผลจากคนอื่นหวังผลจากเจ้านายให้เขารักเราชอบเราอให้เงินเดือนขึ้นกับเราแต่พอคนไปใส่ร้าย เราให้กับเจ้านายรับรู้แล้วเจ้านายเขาอะไรไม่รักเราไม่ชอบเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เราก็อย่าไปหวังอะไรจากใครถ้าเราไม่หวังอะไรจากใครแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนคาถามจากคุณแมรี่เรารับรู้ถึงพระอัฏฐิจากรูปภาพว่านี่คือของผู้บรรลุพระนิพพานและเชื่อและรับรู้ตามศรัทธาในพุทธศาสนา แต่อยากรู้มากกว่านี้ถึงความถึงความเป็นไปหรือไปมาของพระอาทิเพื่อความรู้พออธิบายให้ตัวเองและเพื่อนศาสนาอื่นอย่างฉลาดว่าเป็นมิลลาเคิลหรือจากธรรมะธรรมชาติของธรรมกราบพระอาจารย์เมตตาช่วยคลายปมนี้หน่อยเจ้าค่ะและปู่ทุชนจะเป็นไหมหรือต้องบวชเป็นสงฆ์หรือชีเท่านั้นคะ การที่จะทาให้ร่างกายคือกระดูกนี้กลายเป็นธาตุไปนี้จะต้องเป็นผู้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือต้องเป็นพระอาหารหันต์คือเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้จะพอกกระดูกให้กลายเป็นธาตุไป ก็มันเป็นเรื่องของความเป็นจริงมันไม่ได้มีอะไรลึกลับหรือมหัศจรรย์หรืออะไรกระดูกจะเป็นกระดูกหรือจะกลายเป็นธามันก็มันก็เป็นไปตามความเป็นจริงของมันเท่านั้นเองสาหรับชาวพุทธเหล่านี้สิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจหรือให้ความเข้าใจก็คือว่าเป็นเหมือนสักขีพยานที่ บอกให้เรารู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นหมนผู้ใดที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แล้วเมื่อเวลาตายไปกระดูกของพอระอรหันต์ก็จะกลายเป็นธาตุไปเป็นการยืนยันให้เรารู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตภะวตาธรรมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้ว เป็นธรรมที่ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้เสมอเป็นอากาลิโกทุกยุคทุกสมัยไม่ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ว่าจะอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รับผลเช่นกันนี่คือหน้าที่ของพระธาตุในมุมมองของพระพุทธศาสนาโดยพระธาตุแห่งนี้ไม่มีความวิเศษอะไรกับเรา ต่อให้เรามีพระทาตมาครอบครองเต็มบ้านถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะเป็นภาระเพราะว่าจะต้องจ้างเจ้าหน้าที่ตารวจมาคอยคุ้มครองรักษาถ้าคนก็รู้ว่ามีพระทาตเต็มบ้านเดี๋ยวก็ต้องมีคนเข้ามาขโมยไปกันขโมยไปก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาดีขึ้นพระทาต น, นี้ไม่สามารถทาให้ใครดีขึ้นหรือเร็วลงได้ พระาธาตุก็เป็นเพียงพระาธาตุเท่านั้นเองเป็นสักขีพยานอย่างหนึ่งให้เรามีความมั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงของแท้ไม่ใช่เป็นของที่ใครอุดตลิสร้างขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาโดยที่ไม่มีความเป็นจริงอยู่นี่คือความหมายหรือมุมมองของของชาวพุทธล้ว ให้รู้เท่านั้นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสอนนี้เป็นคำสอนที่ออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าจริงและพระอรหลันตสาวกก็เป็นผู้ที่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอรหลันตสาวกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่คือความหมายของพระธาตุต่าง มีไว้เพื่อจเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติคำถามจากคุณเสกสรรช่วงนี้มีปัญหาสำรวจดูจิตก็รวมดีอยู่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตฟุ้งซ่านวิตกวิจารเยอะมากนั่งขัดสมาธิหลับตาไม่ได้ร้อนตาร้อนใจแต่นั่งธรรมดาได้ยืนเดินนอนก็ได้เลยไม่กล้าเข้าวัด เพราะตัวเองเป็นคนแปลกประหลาดเหมือนจะเอาดีเรื่องมหาสติให้ได้เลยไม่ยอมนิ่งเวลานั่งขัดสมาธิหลับตาทำอย่างไรจึงจะบังคับตัวเองให้นั่งสมาธิได้ครับก็ต้องฝึกสติไปก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนอย่างที่ได้ตอบไปเมื่อกี้นี้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ต้องตั้งสติเลยสร้างสติขึ้นมาทุกขณะทุกเวลาที่ตื่น แล้วถ้าสติมีกำลังมากเวลานั่งก็จะสงบได้ไม่ยากไม่เย็นแต่ถ้าไม่มีสตินี้กิเลสมันจะต่อต้านมันจะต่อสู้มันจะขัดขวางทำให้เราไม่สามารถนั่งได้เลยคำถามจากคุณชัยวดัดการทำทานที่แตกต่างกันเช่นการใส่บาตรถวายอาหารหรือการถวายวัตถุทานเช่นปัจจัยกับพระรูปเดียวกัน ทั้งสองชนิดทานนี้เมื่อผู้ทําทานอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ล่วงรับจะส่งผลต่อท่านเหมือนกันหรือไม่ครับเหมือนกันประโยชน์ที่ผู้ทํานี้ได้เหมือนกันแต่ประโยชน์ที่ผู้รับนี้จะไม่เหมือนกันให้อาหารก็จะได้ข้าวกินให้เงินก็ต้องไปซื้อของต่างๆเอาไปซื้อของต่างๆถ้าไม่มีข้าวกินแล้วให้เงินก็ต้องเอาเงินที่ไปซื้อข้าวมากิน แล้วมัก็เวลาจะให้ใครก็ต้องดูความต้องการของผู้รับด้วยผู้รับเขาขาดหรืออะไรเราก็ควรจะให้สิ่งนั้นเช่นเวลาเกิดไฟไหม้น้ําท่วมเราก็หาข้าวของเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคอาหารไปให้เขาไม่ใช่ไปซื้อของเล่นไปให้เขาซื้อของเล่นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ดังั้นเวลาจะให้ใครมันก็ต้องมองประโยชน์ของคนรับด้วยแต่ประโยชน์ของคนให้นี้ ได้ประโยชน์เหมือนกันไม่ว่าจะให้อะไรกับใครอยู่ที่ปริมาณคุณค่าของสิ่งที่เราให้ถ้าของที่เราให้มีคุณค่ามากก็จะเป็นบุญมากถ้ามีคุณค่าน้อยก็จะเป็นบุญน้อยเท่านั้นเองคาถามจากคุณสารุข้อแรกเคยอ่านมาว่าขันห้าเกิดพร้อมกันแต่ครูบาอาจารย์บางท่าน สอนให้แยกรูปแยกนามเราจะแยกรูปแยกนามยังไงครับใ น, ในเมื่อมันเกิดพร้อมกัน อ, อ, อย่าเพิ่งไม่ทำเลยยังทำไม่ได้หรอกตอนนี้เหมือนเด็กยังเรียนอ่านก็อ่านก อ, อ, นกอไก่ขอไข่ไม่ได้จะไปแต่งนิยายมันทำไม่ได้หรอกไปหัดกอไก่ขอไข่แล้วก่อนหัดหัดหัดสกดหัดอะไรซะก่อนแล้วค่อยไปเขียนนิยายนะคนที่ยังไม่มีสติยังไม่มีสมาธินี่อย่าไปแยากกายแยกนามให้เสียเวลาเลย ยา ก, ก็ยากไม่ได้ยากไม่ถูกยากไม่เป็นข้อ2ครูบาอาจารย์บางท่านบอกให้อยู่กับอาการรู้ในเมื่อผู้รู้ไม่เที่ยงจะอยู่อย่างไรครับอันนี้ก็พูดไม่ถูกนะผู้รู้ไม่เที่ยงในี่ใครเป็นคนพูดนะข้อ3การสละออกคือหนทางเดียวที่จะอยู่กับอาการรู้ใช่ไหมครับและเราจะสละได้อย่างไรครับ การจะอยู่กับการรู้ก็ต้องมีสติควบคุมใจให้หยุดคิดปรุงแต่งพอใจะหยุดคิดปรุงแต่งแล้วรวมเข้าสู่ความสงบก็จะผู้รู้นั่นแหละคำถามจากคุณวาวิจิตราครูบาอาจารย์ท่านสอนให้จับรูปพ ร, พ, พระพุทธรูปในขณะเริ่มนั่งสมาธิแต่ดิฉันไม่สามารถจับได้เลยแต่พอจับภาพพระสงค์รูปหนึ่งซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วนับถือท่านมาก กลับดีขึ้นนิ่งสงบเร็วมากอย่างนี้ก็ถือปฏิบัติต่อไปได้หรือต้องแก้ไขไหมคะวิธีไหนที่ทําให้จิตสงบก็ใช้วิธีนั้นไปเราต้องการดูผลถ้าเหตุใดทําให้ได้ผลที่เราต้องการเราก็ใช้เหตุนั้นไปถ้าเหตุนั้นทําแล้วไม่ได้ผลก็อย่าไปใช้มันคําถามทางบ้านหมดแล้ว คำถามที่นี่มีใครอยากจะถามต่อหรือไม่เยอะ่สุดพ่อคะขอโอกาสอีกสองคำถามค่ะเมื่อวานนี้ตอนที่เดินหลังจากที่ทาวัดเช้าเสร็จแล้ว เ, เดินจงกรมอยู่ในกุฏิแล้วก็ได้ได้เดินออกไปข้างนอกออไปถึงสะบัวนะคะแล้วก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาตรงนั้นอีกสักพักหนึ่ง เราหันหน้าเข้าไปทางที่มีบุตรสบกเดียวไม่ทราบว่ามีลูกปั้นอะไรอยู่ในบุตรสบกนะคะแต่ว่าทางทางเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันวิ่งวิ่งไปคือยืนหลับตานะคะก็เห็นว่ามันวิ่งห่างตัวออกไปทุกทีทุกทีแล้วก็ภาพบุตรสบกที่ที่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็กลายไปเป็นจุดเล็กๆในในในจิตตอนนั้นก็นึกไปถึงคำสอนที่ว่า ปัจจุบันขณะมันสั้นนิดเดียวไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ที่มันผ่านไปข้างๆตัวนะั้นมันก็กลายเป็นอดีตไปหมดแล้วและอนาคตอยู่ข้างหลังก็ยังมาไม่ถึงอยากจะทราบว่าตรงนั้นจิตมันมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเองหรือว่าเป็นเพราะสัญญาหรือว่าเป็นวิกวิจารอะไรยางไรคะ มันจะเป็นอะไรก็เรื่องของไม่ต้องไปสนใจสนใจอยู่ที่ใจเราว่าเรารู้ทันมันหรือเปล่าปล่อยวางมันได้หรือเปล่าท่านั้นเองพระพุทธเจ้าวะรู้อะไรเห็นอะไรก็ให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาก็พ อ, อค่ ะ, อ, ะ, คะอีกคํำถามสุดท้ายค่ะเหลวงพ่อเคยอธิบายเรื่องธาตุดินน้ําลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุ แล้วท่านอธิบายว่าอากาศสธาติเนี่ยเป็นที่ตั้งของธาตุอื่นๆหยือน้ำลมไฟก็ต้องอาศัยเหมืนมน space อนเหมอปตัวอากาศสธาติเนี่ยค่ะทีนี้วิ ญ, ญญาณธาตุที่เป็นตัวจิตเนี่ยก็อาศัยอยู่ในอากาศสธาตด้วยยังนั้นหรือเปล่าคะไม่วิญญาณธาตุหรือธาตุรู้นี่มันอยู่ในโลกมันอยู่ในโลกทิ่มันไม่ได้อยู่ในโล ก, กธาต อยู่คนละโลกกันคนละมิติกันอ่าคนละมิติกันแล้วจิตหรือวิญญาณถ้าจิตที่ไม่มีโลภโกรธลงแล้วนี่ก็ก็อยู่ในมิติเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปอีกมิตินึงค่ะอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าไม่ต้องมาเอาธาตุสีมาเป็นเครื่องม้เครื่องมือไม่มีการปรุงแต่งต่อไปแล้วไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายขอบพระคุณค่ะ อยากจะถามว่าถ้าเราพิจารณาเวทนาไปเรื่อยๆเราหลังจากนั้นแล้วเราต้องพิจารณาจนจิตมันรวมตัวกันแล้วมันก็จะผ่านไปได้ใช่ไหมคะหรือว่าเวลาพิจารณาเวทนาต้องให้มันเกิดเวทนาขึ้นมาก่อนเช่นนั่งแล้วเจ็บก็พิจารณาปล่อยว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยมันเจ็บไปไอย่าไปยุ่งกับมัน ถ้าเราปล่อยได้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับมันถ้าเราปล่อยไม่ได้เราก็จะเครียดเราก็จะทุกข์วิธีที่ทำให้เครียดไม่ทุกข์ให้ปล่อยวางได้ต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเราเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เหมือนเสียงคนที่เขาดา่าเรานี่เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าปากเปียกปากฉีกแล้วก็ต้องทนฟังไปเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็เป็นเหมือนอย่างนั้น ถ้าเราไม่มีความลังเกียจถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาหยุดเราก็จะไม่ทุกข์งั้นเราต้องมาหยุดที่ความอยากของเราอยากให้เขาหยุดอยากให้เขาไม่ด่าเราหรืออยากให้ทุกขเวทนานี้หายไปถ้าเราไม่มีความอยากนี้แล้วมันจะเจ็บขนาดไหนนาาขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาจะอยู่กับมันได้ก็คืออย่างนี้ก็ได้ก็ว่าล้วก็ต้อง พิจารนามันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะวางมันไปได้เองอจนกว่ามันจะรู้ว่ามันวางได้มันก็ไม่ต้อง พ, พิจารณามันก็จะเบาสบายอมันจะเสยเจ็บก็เจ็บไปเจ็บที่ร่างกายแต่ไม่ได้เจ็บที่ใจค่ะโดธเจ้าค่ะอ้าวนี้ไหมเบเกอว่ามากราบนมัสการพระอาจารย์นะค่ะวันนี้หนูไม่มีคําถามแต่บังเอิญว่าวันนี้พระอาจารย์เทศ ตรงกับใจของหนูก่อนที่หนูจะมาที่นี่หนูคิดว่าตัวเองเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะบรรลุธรรมแล้วก็คิดว่าหนูเป็นคนมีภาระเยอะแล้วก็มีความรับผิด ช, ชอบในครอบครัวเยอะคิดว่าคงหมดโอกาสที่จะบรรลุแต่วันนี้พระอาจารย์เทศได้ไขปัญหาในใจของหนูหมดเลยทุกข้อเจ้าค่ะหนูก็จะเพียรพยายามปฏิบัติไป แล้วก็ขอเป็นตัวแทนของพี่ๆที่มาในวันนี้ขอกราบขอให้พระอาจารย์หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงยิ่งยืนนานเป็นกำลังใจของลูกศิษย์ลูกหาได้ประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเจ้าคะ่ะสาธุก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณา ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอด